พระไตรปิฎกเล่มที่สิบพระสูตรที่เกมหาสติปทานนันสูตรการจเจริญสติปฐานสูตรใหญ่สติปฐานแปลว่าธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งสติหรือการปฏิบัติมีสติเป็นประธานสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ น, นิคมของชาวกุรุชื่อกามาสธรรมะแหวนกุรุหน้าที่นั้นแหละ พระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางเดียวเพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์เพื่อล่วงโสกกะและปริเทวะเพื่อดับทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุยญาตธรรมหมายถึงอริยมรรคเพื่อทําให้แจ้งนิพพานทางนี้คือสติปัฏฐานสี่ประการ ทางหมายถึงทางดําเนินไปสู่พระนิพพานหรือทางที่ผู้ต้องการพระนิพพานควรดําเนินไปทางเดียวหมายถึง 1. เป็นทางที่บุคคลผู้ละการเกี่ยวข้องกับหมู่คณะไปประพฤติทธรรมอยู่แต่ผู้เดียว 2. เป็นทางสายเดียวที่พระพุทธเจ้าทรงทํำให้เกิดขึ้นเป็นทางของบุคคลเดียวคือพระผู้มีพระภาค เราะทรงทาให้เกิดขึ้น 3. เป็นทางปฏิบัติในศาสนาเดียวคือพระพุทธศาสนา 4. เป็นทางดำเนินไปสู่จุดหมายเดียวคือพระนิพพานสติปัฐานสี่ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียรมีสติสัมปชัญญะ 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสติสัมปชัญญะกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ 3. พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสติสัมปชัญญะกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ 4. <Erfahrung S 1> พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสติสัมปชัญญะกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้กายานุปัสสนาการพิจารณากายหมวดลมหายใจเข้าออกภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างไรคือภิกษุในธรรมวิไนนี้ ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีสำหรับคำว่าเรือนว่างหมายถึงที่ที่สงัดคือเสนาสนะเจ็ดอย่างเว้นป่าและโคนไม้ได้แก่ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟางภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดี นั่งครูบัลลังคื sharing, คคอนั่งขัตสมาธิตั้งกายตรงดํารงสติไว้เฉพาะหน้าหมายถึงตั้งสติมุ่งตรงต่อกรรมฐานมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว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 สำเนียกว่าเราระ ง, งับกายสังขารหายใจออกระ ง, งับกายสังขารหมายถึงผ่อนคลายลมหายใจหยาบให้ละเอียดขึ้นไปโดยลำดับจนถึงขั้นที่จะต้องพิสูจน์ว่ามีลมหายใจอยู่หรือไม่เปรียบเหมือนเสียงเคาะระฆังครั้งแรกจะมีเสียงดังกังวานแล้วแผ่วลงจนถึงเงียบหายไปในที่สุด ภิกษุทั้งหลายช่างกลึงหรือลูกมือช่างกลึงผู้มีความชนานาญเมื่อชักเชือกยาว ก, ก, ก, K, ก็รู้ชัดว่าเราชักเชือกยาวเมื่อชักเชือกสั้นก็รู้ชัดว่าเราชักเชือกสั้นแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่า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 เราระ ง, งับกายยสังขารหายใจออกด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่ในที่นี้หมายถึงลมหายใจเข้าออกของตนพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกอยู่หมายถึงลมหายใจเข้าออกของผู้อื่นหรือพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่ พิจารณาเห็นธรรมมีเหตุเกิดแห่งลมหายใจในกายอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับแห่งลมหายใจในกายอยู่หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับแห่งลมหายใจในกายอยู่หรือว่าภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่ากายมีอยู่ <The noise> ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาณ <The noise> เจริญสติเท่านั้น ไม่อาศัยตันหาและทิฏฐิอยู่และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลกภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้แลกายานุปัสสนาหมวดอิริยาบถภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเราเดินเมื่อยืนก็รู้ชัดว่าเรายืน เมื่อนั่งก็รู้ชัดว่าเรานั่งหรือเมื่อนอนอก็รู้ชัดว่าเรานอนภิกษุนั้นเมื่อดำรงกายอยู่โดยอาการใดๆก็รู้ชัดกายที่ดำรงอยู่โดยอาการนั้นๆด้วยวิธีนี้ภิกษุย่อนพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่ในที่นี้หมายถึงอิริยบทีสี่คือยืนเดินนั่งนอนในกายของตน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 มีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่ากายมีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญฌานเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยปัญหาและทิฏฐิอยู่และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลกภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้แหลกายานุปัสสนาหมวดสัมปะชัญญะภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่งภิกษุทําความรู้สึกตัวในการก้าวไปการถอยกลับในการแลดูการเหลียวดูในการคูเข้าการเหยียดออกในการครองสังาติบาตรและจีวรในการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้นในการถ่ายอุจจาระและปัสสาวะในการเดินการยืนการนั่งการนอนการตื่นการพูดการนิ่ง ด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่ในที่นี้หมายถึงสัมปัชัญญะสในกายของตนคือ 1. สาตตะกะสัมปัชัญญะรู้ชัดว่ามีประโยชน์สสัปปายะสัมปชัชชญญะรู้ชัดว่าเป็นสัปปายะ3โคจระสัมปชัชชญญะรู้ชัดว่าเป็นโคจร4อสามโมหะสัมปัชัญญะ รู้ชัดว่าไม่หลงในกายตนด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่หมายถึงสัมปะชัญญะสี่ในกายของตนพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกอยู่หมายถึงสัมปะชัญญะสี่ในกายของผู้อื่นหรือพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในกายอยู่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 ในกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กอาหารใหม่อาหารเก่าดีสเลตหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเหลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูด ทั้งหมดเรียกว่าอาการ32มสิบสองพิสูจทั้งหลายถุงมีปากสองข้างเต็มไปด้วยธั ญ, ญพืชชนิดต่างๆคนตาดีเปิดถุงนั้นออกย่อมเห็นเป็นธั ญ, ญพืชเหล่านั้นฉันใดแม้ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณาเห็นกายนี้ตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นไปเบื้องบนตั้งแต่ปลายผมลงมาเบื้องล่างมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบ เต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่สะอาดชนิดต่างๆคืออาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังเลือดเหงื่อสเลดหนองเป็นต้นด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่ในที่นี้หมายถึงอาการ32มีผมเป็นต้นในกายตนพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกอยู่หมายถึงอาการ32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 ตามที่ตั้งอยู่ตามที่ดำรงอยู่โดยความเป็นธาตุว่าในกายนี้มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอยู่ภิกษุทั้งหลายคนฆ่าโครหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้มีความชำนาญครั้นฆ่าโคแล้วแบ่งอวัยวะออกเป็นส่วนส่วนนั่งอยู่ที่หนทางใหญ่สี่แพร่งแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน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 ศพเขียวคล้ำศพมีน้ำเหลืองเยิม้มแม้ฉันใดภิกษุนั้นนำกายนี้เข้าไปเปรียบเทียบให้เห็นว่าถึงกายเรานี้ก็มีสภาพอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ฉันนั้น 2. ภิกษุเห็นซากศพอันเขาทิ้งไว้ในป่าช้าซึ่งถูกกาจิกกินนกตะกรุมจิกกิน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 อันเขาทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นโครงกระดูกไม่มีเอ็นรึงรัดแล้วกระจุยกระจายไปในทิศใหญ่ทิศเฉียงคือกระดูกมืออยู่ทิศหนึ่งกระดูกเท้าอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกแข้งอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกขาอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกสะเอวกระดูกหลังกระดูกซี่โครงกระดูกหน้าอกกระดูกแขนกระดูกไหล่กระดูกคอกระดูกคางกระดูกฟันกระโหลกศีรษะ ต่างกระจัดกระจายไปคนละทิศเจิกษุเห็นซากศพอันเขาทิ้งไว้ในป่าช้าซึ่งเป็นท่อนกระดูกสีขาวเหมือนสีสัง 8. ภพิสษุเห็นซากศพอันเขาทิ้งไว้ในป่าช้าซึ่งเป็นท่อนกระดูกกองอยู่ด้วยกันเกินกว่าหนึ่งปี 9. ภพิสษุเห็นซากศพอันเขาทิ้งไว้ในป่าช้าซึ่งเป็นกระดูกผุออนเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย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 และไม่ยุดมั่นถือมั่นอะไรๆในโลกภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้แหลเวทนานุปัสสนาการพิจารณาเวทนาภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่อย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ เมื่อสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าเราสวยสุขเวทนาเมื่อสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่าเราสวยทุกขเวทนาเมื่อสวยอทุกขธรมสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าเราสวยอทุกขธรมสุขเวทนาคือไม่ทุกขไม่สุขเมื่อสวยสุขเวทนาที่มีอามิตรก็รู้ชัดว่าเราสวยสุขเวทนาที่มีอามิตร เมื่อสวยสุขเวทนาที่ไม่มีอา m ิ t h ก็รู้ชัดว่าเราสวยสุขเวทนาที่ไม่มีอา m ิ t h เมื่อสวยทุกขเวทนาที่มีอา m ิิ h ก็รู้ชัดว่าเราสวยทุกขเวทนาที่มีอา m ิ t h เมื่อสวยทุกขเวทนาที่ไม่มีอามิ t ก็รู้ชัดว่าเราสวยทุกขเวทนาที่ไม่มีอา m ิ t h เมื่อสวยอทุกขรมสุขเวทนาที่มีอามิ t ก็รู้ชัดว่า เราเสวยอทุกขมสุขเวทนาที่มีอามิตรเมื่อสวยอทุกขมสุขเวทนาที่ไม่มีอามิตรก็รู้ชัดว่าเราสวยอทุกขมสุขเวทนาที่ไม่มีอามิตรด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายภายในอยู่คือสุขเวทนาเป็นต้นของตนพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายภายนอกอยู่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 มีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่าเวทนามีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยทันหาและทิฏฐิอยู่และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลกภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่อย่างนี้แลจิตตานุปัสสนาการพิจารณาจิต ภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่อย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้จิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะจิตปราศจากราคะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ชัดว่าจิตมีโมหะ จิตปราศจากโมหะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโมหะจิตผดหูก็รู้ชัดว่าจิตผลหูจิตฟุ้งซ่านก็รู้ชัดว่าจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมหคตะก็รู้ชัดว่าจิตเป็นมหคตจิตไม่เป็นมหคตะก็รู้ชัดว่าจิตไม่เป็นมหคตจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ชัดว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่า จิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิก็รู้ชัดว่าจิตเป็นสมาธิจิตไม่เป็นสมาธิก็ ร, รู้ชัดว่าจิตไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ชัดว่าจิตหลุดพ้นแล้วจิตไม่หลุดพน้นก็รู้ชัดว่าจิตไม่หลุดพ้นด้วยวิธีนี้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 ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่อย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคือนิวรห้าอยู่คือภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อกามฉันทะความพอใจในกามภายในมีอยู่เมื่อพยาบาทความคิดร้ายภายในมีอยู่เมื่อถินมิทะ ความหดหู่และเสื่องซึมภายในมีอยู่เมื่ออุทธจักกุกกุจจะความฟุ้งซ่านและร้อนใจภายในมีอยู่เมื่อวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยภายในมีอยู่เมื่อนิวรห้าเหล่านั้นมีอยู่ก็รู้ชัดว่ากามฉันทะพยาบาทธีนมิทะอุทธจักกุบกุจจะวิจิกิจฉา คือความพอใจในกามความคิดร้ายความหดหู่เสื่องซึมความฟุ้งซ่านและร้อนใจความลังเลสงสัยรวมเรียกว่านิวรณห้ารู้ชัดว่านิวรณห้าภายในของเรามีอยู่หรือเมื่อไม่มีอยู่ก็รู้ชัดว่านิวรณห้าภายในของเราไม่มีอยู่การเกิดขึ้นแห่งนิวรณห้าข้อนี้ที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น การละนิวรณ์ห้าที่เกิดขึ้นแล้วม er ีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นและนิวรณ์ห้าที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมเนธรรมทั้งหลายภายในอยู่พิจารณาเห็นธรรมเนธรรมทั้งหลายภายนอกอยู่หรือพิจารณาเห็นธรรมเนธธรรมทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่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 และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลกภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคือนิวรห้าอยู่อย่างนี้แลธรรมานุปัสสนาหมวดขันอุปทานะขันมาจากอุปทานบวกขันแยกอธิบายความหมายได้ดังนี้ อุปาทานแปล ว, ว่าความถือมั่นมีความหมายหลายในเช่นหมายถึงชื่อของราคะที่ประกอบด้วยการมาคุณห้าบ้างหมายถึงความถือมั่นด้วยอำนาจตัญหามานะและทิฏฐิบ้างขันในที่นี้ทอทงการันนะครับแปล ว, ว่ากองดังนั้นอุปาทานขันจึงหมายถึง กองอันเป็นอารมณ์แห่งความถือมัน่นเมื่อนำองค์ธรรมคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมารวมกับอุปาทานนัขันเช่นวิญญาณูปาทานนขันโทจึงแปลได้ว่ากองอันเป็นอารมณ์แห่งความถือมั่นคือวิญญาณอันหนึง่งเมื่อกล่าวโดยสรุปอุปาทานนักขันหมายถึงทุกตามบาลีว่าโดยย่อ อุปทานขันห้าเป็นตัวทุกข์ธรรมานุปัสสนาหมวดขันภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออุปทานขันห้าอยู่เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิไนนี้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออุปทานขันห้าอยู่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างนี้ ความเกิดอุปทาทานขันห้าเป็นอย่างนี้ความดับอุปทาทานขันห้าเป็นอย่างนี้ด้วยวิธีน Italia? ี้ภิก <é>? ษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายในอยู่หมายถึงขันห้าของตนพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายนอกอยู่หมายถึงขันห้าของผู้อื่นหรือพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในธรรมทั้งหลายอยู่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 คืออุปาทานขันห้าอยู่อย่างนี้แลธรรมานุปัสสนาหมวดอายตนะภิกสุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออายตนะภายในหกและอายตนะภายนอกหกอยู่เป็นอย่างไรคือภิกสุในธรรมะวิ น, นัยนี้หนึ่งรู้ชัดตารู้ชัดรูป สังโยชน์ใดอาศัยตาและรูปทั้งสองนั้นเกิดขึ้น 2. รู้ชัดหูรู้ชัดเสียงสังโยชน์ใดอาศัยหูและเสียงทั้งสองนั้นเกิดขึ้น 3. รู้ชัดจมูกรู้ชัดกลิ่นสังโยชน์ใดอาศัยจมูกและกลิ่นทั้งสองนั้นเกิดขึ้น 4. รู้ชัดลิ้นรู้ชัดรสสังโยชน์ใดอาศัยลิ้นและรสทั้งสองนั้นเกิดขึ้น รู้ชัดกายรู้ชัดโผฏฐพะคือการสมัมผัสทางกายสังโยชน์ใดอาศัยกายและโผฏฐพะทั้งสองนั้นเกิดขึ้น 6. รู้ชัดใจรู้ชัดธรรมารมการสัมผัสทางใจสังโยชน์ใดอาศัยใจและธรรมารมทั้งสองนั้นเกิดขึ้นก็รู้ชัดสังโยชนั้นการเกิดขึ้นแห่งสังโยชน ที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นการละสังโยี่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นและสั่งโยที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายในอยู่หรือภายนอกอยู่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 ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมเนธรรมทั้งหลายคืออายตนะภายในหกและอายตนะภายนอกหกอยู่อย่างนี้และรรมานุปัสสนาหมวดโพชงโพชงแปลว่าองคุณหรือองสมบัติแห่งความตรัสรู้เป็นไปเพื่อความตรัสรู้ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมเนธธรรมทั้งหลาย คือโพโธชงเจดอยู่เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เมื่อสติสัมโพชงสัมโพชงคือสติภายในมีอยู่ 2. เมื่อธรรมวิจยะสัมโพชงสัมโพชงคือเลือกเป็นธรรมภายในมีอยู่ 3. เมื่อวิริยะสัมโพชงสัมโพชงคือวิริยะความเพียรภายในมีอยู่ 4. เมื่อ <me przed S 1> ปีติสัมโพชงสัมโพชงคือปีติความอิ่มเอิบใจภายในมีอยู่ 5. เมื่อปัส identify, สธิสัมโพชงสัมโพชงคือปัสสธิความสงบระงับภายในมีอยู่ 6. เมื่อสมาธิสัมโพชงสัมโพชงคือสมาธิความตั้งใจมั่นภายในมีอยู่ 7. เมื่ออุเบกขาสัมโพชง สัมโพชงคืออุเบกขาความเข้าไปเพ่งเฉยอยู่สงบอยู่ในภายในภายในมีอยู่ก็รู้ชัดว่าสัมโพชงนั้นๆภายในของเรามีอยู่หรือเมื่อสัมโพชงนั้นๆภายในไม่มีอยู่ก็รู้ชัดว่าสัมโพชงนั้นๆภายในของเราไม่มีอยู่การเกิดขึ้นแห่งสัมโพชงที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใด ก็รู้ชัดเหตุนั้นและความเจริญบริบูรณ์แห่งสังโพชงที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายในอยู่หรือภายนอกอยู่หรือทั้งภายในและภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับหรือเป็นเหตุเกิดในธรรมทั้งหลายอยู่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 ธรรมานุปัสสนาหมวดสัจจะภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออริยสัจสี่อยู่เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าน้ทุกนิทุกขสมุทยัยสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกนิทุกขนิโรธคือความดับสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกนิทุกขนิโรธค า, ามินีปฏิปทา ทางสายกลางทางปฏิบัติไปสู่การดับทุกข์ทุกขะอริยสัจเป็นอย่างไรคือชาติความเกิดเป็นทุกข์ชราความแก่เป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์โสกะความโศกปริเทวะความคร่ำครวญทุกข์คือความทุกข์กายโทมนัะคือความทุกข์ใจอุปาญาต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 ความบังเกิดเฉพาะความปรากฏแห่งขันความได้อายตนะในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆชราเป็นอย่างไรคือความแก่ความคร่ำคร่าความมีฟันหลุดความมีผมงอกมีหนังเหี่ยวยน่นความเสื่อมอายุความแก่ง่อมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆมรณะเป็นอย่างไร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 ภาวะที่เศร้าโศกความแห้งผากภายในความแห้งกรอบภายในของผู้ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือผู้ที่ถูกเหตุแห่งทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบปริเทวะเป็นอย่างไรคือความร้องไห้ความคร่ำครวญกิริยาที่ร้องไห้ที่คร่ำครวญภาวะที่ร้องไห้ที่คร่ำครวญของผู้ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือผู้ที่ถูกเหตุแ ห, ห่งทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบทุกข์เป็นอย่างไรคือความทุกข์กายความไม่สําราญทางกายความสวยอารมณ์ที่ไม่สําราญเป็นทุกข์อันเกิดจากกายสัมผัสโทมนัสเป็นอย่างไรคือความทุกข์ทางใจความไม่สําราญทางใจความสวยอารมณ์ที่ไม่สําราญเป็นทุกข์อันเกิดจากมนโน ส, สัมผัส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 ไม่เป็นที่รักใกล่ไม่เป็นที่ชอบใจของเขาในโลกนี้เช่นรูปเสียงปลิ่นรสโหดทพะการสัมผัสทางกายธรรมารมณ์การสัมผัททมมสทางใจหรือจากบุคคลผู้ปรารถนาแต่สิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ปรารถนาแต่สิ่งที่ไม่เกื้อกูลปรารถนาแต่สิ่งที่ไม่ผาสุปรารถนาแต่สิ่งที่ไม่มีความกเกษมจากโยคะของเขา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 ปรารถนาความเกษมจากโยคะของเขาเช่นมารดาบิดาพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวมิตรอมาตยหรือญาติสาโลหิตการไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์เป็นอย่างไรคือเหล่าสัตว์ผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาเกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าฉะไหนหนอขอเราอย่าได้มีความเกิดเป็นธรรมดา หรือขอความเกิดอย่าได้มาถึงเราเลยข้อนี้ไม่พึงสำเร็จได้ตามปรารถนาเราสัตว์ผู้มีความแก่ความเจ็บความตายความโศกความคร่าครวญความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจเป็นธรรมดาต่างก็เกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าชไนหนอขอเราอย่ามีความแก่อย่ามีความเจ็บอย่ามีความตาย อย่าได้มีความโศกความคร่ำครวญความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจขอสิ่งเหล่านี้อย่าได้มาถึงเราเลยข้อนี้ไม่พึงสำเร็จได้ตามปรารถนาภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าการไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์โดยย่ออุปทานขันห้าเป็นทุกข์อย่างไรคือรูปูปาทานขัน อุปทานนัขันคือรูปเวทนูปทานนัขันอุปทานนัขันคือเวทนาสัญญูปานานขันอุปทานนัขันคือสัญญาสังขารูปานานขันอุปทานนัขันคือสังขารวิญญาณูปทานนัขันอุปทานนัขันคือวิญญาณภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าโดยย่ออุปทานขันห้าเป็นทุกข์ ภิกษุทั้งหลายข้อทั้งหมดที่กล่าวมานั้นนี้เรียกว่าทุกขะอริยสัจ ท, ทุกขะสมุทะอริยสัจ ท, ทุกขะสมุทะอริยสัจเป็นอย่างไรคือตัณหานี้เป็นเหตุเกิดขึ้นในภพใหม่สหรัตตะด้วยความกำนัดยินดีเป็นเหตุเพลดิดเพลินในอารมณ์นั้นๆ คือการมาตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาก็ตัณหานี้แหละเมื่อเกิดขึ้นเกิดที่ไหนเมื่อตั้งอยู่ตั้งอยู่ที่ไหนคือปีรูปสาตรูปใดมีอยู่ในโลกหมายถึงสภาวะที่น่ารักน่าชื่นใจเป็นส่วนอิทธารณ์ที่เป็นเหตุให้เกิดตัณหาตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ปีรูปูาตรูปนี้ เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ปีแยรูปสาตรูปนี้อะไรเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกคือจักขุโซตะกานะจิวหากายมโนหรือคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดและตั้งอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้ อะไรเป็นปิยรรูปสัตรูปในโลกรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะและธรมารมจักขวิญญาณโสตะวิญญาณขานะวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณจักขุสัมผัสโสตสัมผัสชิวหาสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัสคือตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้ดมกลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสกายได้สัมผัส ใจได้รู้สึกเวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัสโสตสัมผัสชิวหาสัมผัสคานะสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัสคือความรู้สึกที่เกิดจากตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้ดองกลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสกายได้สัมผัสใจได้รู้สึกรูปสัญญาสัทธาสัญญาคันธาสัญญารสสัญญาโหตภะพาสัญญา รำมารสัญญาหมายถึงความกำหนดหมายรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสทางกายรู้สัมผัสทางใจรูปสันเจตนาความจำนงในรูปสัทธสันเจตนาคันธสันเจตนาราสสันเจตนาโหตภัสสันเจตนาธรรมสันเจตนารูปปัญหาความอยากได้รูป สัทธตันหาคันธตันหารัตันหาโหตภภาพตันหาธรรมตันหารูปวิตกความตรึกถึงรูปสัทธวิตกคันทวิตกรสศวิตกโหตภภาพวิตกธรรมวิตกรูปวิจารความจรองถึงรูปสัทธวิจารคันทวิจารรัศวิจารโหตภภาพวิจารธรรมวิจาร ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นปิยรรูปสาตารูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดและตั้งอยู่ในสิ่งเหล่านี้ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าทุกขสมุทยอริยสัตว์ทุกขนิโรธอริยสัตว์ทุกขะนิโรธอริยสัตว์เป็นอย่างไร คือความดับกิเลสไม่เหลือด้วยวิราคะความปล่อยวางความสละคืนความพ้นความไม่ติดก็ตัณหานี้เมื่อละละที่ไหนเมื่อดับดับที่ไหนคือปิยรูปสาตวรูปใดมีอยู่ในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่ปิยรูปสาตวรูปนี้เมื่อดับก็ดับที่ปิยรูปสาตวรูปนี้ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าทุกขะนิโรธอริยสัจ ท, ทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจ ท, ทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจเป็นอย่างไรคืออริยมรรคมีองค์8ดนี้นั่นแหละได้แก่หนึ่งสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ 2. สัมมาสังกัปปะความดําริชอบ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 สัมมาทิฏฐิเป็นอย่างไรคือความรู้ในทุกความรู้ในทุกขสมุทยัยเหตุเกิดแห่งทุกขความรู้ในทุกขนิโรธความดับทุกขความรู้ในทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขสัมมาสังกัปปะเป็นอย่างไรคือความดรฤตในการออกจากกามความดมฤตในการไม่พยาบาท ความดำริในการไม่เบียดเบียนสัมมาวาจาเป็นอย่างไรคือเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อสัมมากัมมันตะเป็นอย่างไรคือเจตนาเป็นเหตุง ด, งดเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ เว้นจัดการประพฤติผิดในกามสัมมาอาชีวะเป็นอย่างไรคืออริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ละมิจฉาอาชีวะแล้วสำเร็จการเลี้ยงชีพด้วยสั ม, มาอาชีวะหมายถึงดำรงชีวิตมีชีวิตอยู่ด้วยทางที่ถูกต้องถ้าเกิดเป็นภิกษุเป็นพระก็ดูได้ที่พรมชาลสูตรในหัวข้อ จุลศีลมชิมาศีลและมหาศีล น, นะครับซึ่งตรัสถึงไว้โดยละเอียดว่าภิกษุไม่ควรเลี้ยงชีพด้วยการกระทําใดๆบ้างส่วนสำหรับคารวาสพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสถึงการเลี้ยงชีพโดยชอบไว้ในพระสูตรอื่นแล้วนะครับสัมมาวายามะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สร้างฉันทะพยายาม รารอบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้นเพื่อลบบาปอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นเพื่อดำรงอยู่ไม่เลือนหายพินโยภาพภัยบูนเจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วสัมมาสติเป็นอย่างไร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 หงสงัดจาักรกามและอากุศลลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกมีวิจารณมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ 2. อเพราะวิตกวิจารณ์สงบระงับไปบรรลุทุติยฌานที่มีความผ่องใสาภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งขดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ 3. เพราะปีติจางคลายไปมีจิตเป็นอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่และสวยสุขด้วยกายคือนามกายบรรลุตัติยะฌานที่พระอริยะทั้งหลายกล่าวสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขส เพราะละสุขและทุกได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนและบรรลุจตุตะถะฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธ์เพราะอุเบกขาอยู่ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าทุกขะนิโรธค า, ามินีปฏิปทาอริยสัจด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายในอยู่หมายถึงอริยสัจสี่ของตน พิจรารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายนอกอยู่หมายถึงอริยสัจสี่ของผู้อื่นหรือพิจรารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่พิจรารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในธรรม ท, ท, ท, ท, ท, ทั้งหลายอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในธรรมทั้งหลายอยู่หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในธรรมทั้งหลายอยู่หรือว่าภิกษุนั้น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 อา น, นิสงส์งแห่งการเจริญสติปัฏฐาน4ประการภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้เจริญสติปัฏฐานสตลอดเจปีพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตนตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู่ก็จกเป็นอนาคามีบุคคลผู้เจริญสติปัฏฐานสี่ ตลอดหปีห้าปีสี่ปีสามปีสองปีหนึ่งปีเจ็ดเดือนจนถึงหนึ่งเดือนแม้ครึ่งเดือนหรือแม้ตลอดเจดวันพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อ ย, ยังมีอุปาทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามีภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางเดียว เพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์เพื่อล่วงโซกะและปริเทวะเพื่อดับทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุยญาตธรรมเพื่อทำให้แจ้งนิพพานทางนี้คือสติปัฏฐานสี่ประการเราอาศัยทางเดียวนี้แล้วจึงกล่าวคำดังพันนามาชนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ภิกษุเหล่านั้น มีใจยินดีต่างชื่นชมพระพาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วแลหมายเหตุ head, ผู้อา่านข้อนี้เป็นหลักฐานยืนยันของพระผู้มีพระภาคว่าหากเจริญสติปัฏฐานสีได้ถูกต้องและมีความเพียรพอจะบรรลุธรรมได้จริงอย่างมากที่สุดคือเจ็ดปีอย่างน้อยที่สุดเพียงเจ็ดวันและพระธรรมนี้ให้ผลไม่จากัดการ ตราบเท่ายังมีผู้ปฏิบัติตามย่อมบรรลุได้ในชาติปัจจุบันพระอรหันต์จะไม่สิ้นไปจากโลกตราบเท่ายังมีการเจริญสติปัฏฐานสี่ที่ถูกทางและมีความเพียรต่อเนื่องมากพอจบมหาสติปัฏฐา น, นสูตร